หลับตาฝ้ายเป็นตูเป็นตาเถองขึ้นมา แล้กนามาไลฟฟังเป็นนิยายปรามปราการ์ณเจ้าหลังจากที่เหล่าเสนามัดและข้าราชการในทหารที่ม่ใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุมได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นทั้งใจในการสละราชสมบัติเพื่อทรงออกกระนวำจากพระาพราชาแล้วทุกคนในที่ประชุมต่างก็รู้สึกแปลกใจตกใจ แล้วก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมพระราชาผู้ยังหนุ่มอย่างแน่นแล้วก็เพียรพร้อมไปดูทุกสิ่งทุกอย่างถึงได้ทรงตัดสินพระไทรศสรราชาสมบัติภายใต้เสวยาตจันยิ่งใหญ่ออกบรนลุเพื่อถือครองเพศสมณะเช่นนี้แต่เมื่อเราเสนาห ม, มาและขราการในทหารชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้น ทราบถึงมโนปณิธานและความมุ่งมั่นแั่งใจในการเสด็จออกผนวดของพระาราชาแล้วทุกคนก็เริ่มเข้าใจและทราบซึ่งในมโนปณิธานของพระราชาเป็นอย่างมากว่าเป็นเช่นนี้เหล่าเสนาห ม, มาดและข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุมจึงได้ร่วมนมรทนาบูญกับการเสด็จออกผนวด ของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเขาโดยเสียงสาธุการที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องพระโรงเลยทีเดียวโด<า>ยจากเราเสนาหมาดและขรายการในทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดจะได้ร่วมนมัุนาการเสด็จออกโผนวดของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเขาแล้วเราเสนาหมาดและขรายการในทหารชั้นผู้ใหญ่คนสนิทของพระราชาหลายๆท่าน ยังมีความปรารถนาอยากที่จะออกบวชตามพระราชาของพวกเขาอีกด้วยซึ่งในช่วงที่พระราชาทรงตัดสินพระไถยว่าพระองค์จ ะ, สะเสด็จออกขณูต้นัรนงก็งทรงได้ชวนเหล่าข้าราชบริพารที่ท่านรักให้ออกบวช ด, ด้วยกันกับพระองค์ซึ่งท่านมหาเสนาวดีก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย แต่ท่านมหาเสนนาบดีกลับมีท่าทีที่นิ่งๆยิ้มยิ้มและก็ไม่ตอบรับต่อคำเชิญชวนพระราชาเลยทั้งๆที่ภายในใจลึกๆของท่านมหาเสนนาบดีในตอนนั้นก็ mm hmm. อยากที่จะออกบวชตามพระราชามากๆแล้วท่านอยากที่จะศึกษาวิชาขั้นสูงสุด นั่นก็คือการได้เรียนามา ก, กับพระมหาเถระเด็กคุณยายจางเราเดี๋ยวจ้าจึงถือว่าเป็นบุคคลที่ท่านมหาเสนาบดีให้ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่ท่านมหาเสนาบดีมีความตั้งใจอยากที่จะปลดความกังวลนี้กับพระราชาเพาะเป็นที่รักยิ่งของตัวท่าน ปฏิพระองจะได้เสด็จออกพนวดอย่างสบายพระไทยโดยการอยู่ช่วยพระอนุชาดูแลบริหารงานราชการแผ่นดินอย่างเต็มที่ในทุกๆเรื่องปฏิพระราชาจะได้เสด็จออกผนวดด้วยปราศจากปริพเทหรือเครื่องความกังวล ใ, ใดๆนั่นเองดังแบบนั้นท่ามหาเสนาบดีจึงจำต้องแสดงท่าทีที่นิ่งๆยิ้มๆและไม่ตอบรับอะไร ตอนที่พระราชาทรงชวนท่านออกบวชนังที่ได้เกริ่นไว้ในช่วงตนนั้นเองแต่เมื่อครั้นถึงเวลาที่พระราชาใกล้จะเสด็จออกพโนตจริงๆกลับมีเหล่าพระราชาบริพารก็เสด็จออกบวชพร้อมกับพระองค์เพียงไม่กี่คน <c oughs> <c oughs> ที่เป็นเช่นนี้ท้งนี้ก็เป็นเพาะพื้นที่วัดป่าของพระมหาเถระนั้น มีเนื้อที่อยู่อย่างจำกัดอีกทางพระมหาระก็มีอัธฉศัยะรักความสงบและชอบความวิเวกเป็นอย่างมากไม่ชอบเออเกระเลิกคือไปบวชเยอะๆมันก็เออเกระเลิกเยอะแยะท่านไม่คุ้นแต่น้นพระมหาเระจเงอนุ ญ, ญาตให้มีพูดตามพระาชาออกบวชได้เพียงไม่กี่คน โดยพระมาหาเระจะคัดเลือกผู้ที่จะออกบวชหรือเรากระดาจะบริพารคนสนิทของพระราชาตามกําลังบุญว่า <c oughs> ใครพร้อมใครยังไม่พร้อมเอราเป็นเช่นนี้จึงทําให้เรากระดาจะบริพารคนสนิทที่ผ่านการคัดเลือกจากพระมาหาเถระจะสามารถออกบวชพ ร, ร้อมกับพระราชามีจํานวนไม่มากดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และมาถึงช่วงเวลาที่พระราชากำลังจะถ่ายโอนอำนาจการปกครองแผ่นดินทั้งมดให้กับพระอนุชาของพระองค์พระราชาก็ได้ฝากให้ท่านมหาเสนาบดีช่วยดูแ ล, แลและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพระอนุชาในระหว่างที่กำลังขึ้นครองราชซึ่งท่านมหาเสนาบดีผู้เป็นบุคคลคุยแจงพระราชาก็ ด้ขนานนศึกษาและรับปากที่จะรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาให้กับพระอนุชาอย่างเต็มที่และในช่วงที่พระอนุชาเริ่มศึกษาการบริหารงานแผ่นดินในช่วงแรกๆนั้นท่หมหาเสนาบดีก็ได้แนะนำให้พระอนุชาหรืจอจะกระชดผู้บริหารบ้านเมืองซึ่งคือเหล่าเสนาบดีและก็รายการทัผู้ใหญ่ต่างๆ เราไปถึงชี้แนะแนวทางการบริหารงานบ้านเมืองต่างๆตามนโยบายที่พระราชาองค์ที่จะออกบวชเคยเดำเนินเอาไว้ได้อย่างเหมาะสมหรือผู้ดูา ง, งานวระธานมหาเสนาบดีได้สนองพระราจะดำรัสตามที่พระราชาองค์ที่จะออกบวชได้ส่งมอบหมายกับท่านไว้แบบ Super Absolutely p e r f e c รตจริงๆแต่จริงๆแล้วพระอนุชาก็ไม่ค่อยอยากจะรับตาแหน่งนี้ มันอยากเป็นพระราชาแต่ก็เป็นสาวจะขัดยังไงเพราะว่าแวนแควนต้องมีพระราชาผู้ปกครอง <Yeah. S 1> อ, อ, อีกองค์หนึ่งบวชอีกองค์หนึ่งก็ต้องขึ้นครองแทน <Yeah. S 1> และเมื่อการถ่ายอ่อนอำนาจทั้งหมดได้สําเร็จเสร็จสิ้นลงพระราชาที่จะออกบวชทิ้งทรงเรียกเหล่าเสนาหมัขดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และขุนนา ง, นงต่างๆให้มาประชุมใหญ่โดยพร้อมเพียงกัน พระานพหลงก็ทรงประกาศสละราชสมบัติทั้งหมดอย่างเป็นทางการพระอมกันนพงค็ทรงแต่งตั้งและสถาปนาให้พระอนุชาของพระองค์เป็นพระราชาเพื่อบกครองแคว้นองค์ใหม่ท่ามกลางเหล่าเสนาหมัดขันการทั้งผู้ใหญ่และขุนนางทั้งหมดถึงข่าวการสละราชสมบัติเพื่อออกบัลลุดของพระองค์รวมถึงข่าวการสถาปนาพระอนุชาให้เป็นพระราชาองค์ใหม่ ได้รแร่กระจายไปิสุลเหล่าพระสงนิกายไปในแคว้นพระองค์อย่างรวดเร็วไปหลังจากที่พระราชาองค์ที่ออกบวชได้ทรงแต่งตั้งรัฐสถาบนาพระนุชาของพระองค์ให้เป็นพระราชาผู้ปกครองแคว้นองค์ใหม่แล้วพระองก็สรงกําหนดวันเวลาและสถานที่ที่พระองค์จะทรงใช้ประกอบพระราชพิธีสมบัติในทันที ซึ่งสถานที่ทิพร์โลกจะทรงใช้จัดพระราชพิธีอุปสมบทก็คือวัดป่าของพระมหาเถระนั่นเองภาลังจากท่พระราชาผู้มีทิรักยิ่งของมหาชนหลายได้เสด็จออกพระโนเป็นพระเถระอยู่ที่วัดป่าแล้วธรรมาเสนาบดีก็รู้สึกดีใจและเพื่มจิตใจเป็นอย่างมากที่ประคที่ทานรักและเทิดทูนมีความสุข ถึงต ท, ท่านมหาเสนาบดีเองก็มักที่จะหาโอกาสไปสั่งสมบุญและก็ปฏิบัติธรรมกับพระมหาเถระในพุทธานตอนที่ผ่านมาเลจ้ะที่วัดป่าแห่งนั้นอยู่เส ม, มอเส ม, มอพระมหาเถระที่เป็นอาจารย์ของพระเถระพระอาชาติที่ออกบวชและเมืเ่อท่านมหาเสนาบดีได้มาสั่งสมบุญและประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระมหาเถระ ในพุทธนอร์ที่ผ่านมาเนี่จ้าทิวาตไปแห่งนั้นบ่อยเข้าบ่อยเข้าจึงเป็นผลทาให้ตัวท่านได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หัวข้อธรรมะต่างๆจากพระมหาเถรละแล้วคุยาจารย์ในพุทธนอร์ที่ผ่านมาเนีจ้าไมว่าจะเป็นเรื่องราวความจริงของชีวิตที่ว่าเราเกิดมาทําไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและเราจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรในเรื่องบุญบาปและกฎแห่งกรรมเป็นต้นเนนะจ้า ซึ่งธรรมะที่ท่านมหาเสนาบดีไดศึกษาเรียนรู้จากพระมหาเถระนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ตัวท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครมาก่อนฟังแล้วก็ยิ่งชวนให้อยากปฏิบัติตามอีกทั้งธรรมะเหล่านี้ยังได้เข้าไปทลายความสงสัยต่งางๆที่ยังคองค้างคาอยู่ภายในใงท่านมหาเสนาบดีให้หมดเกลี้ยงเสียงไปเลยอีกด้วย ดาใจาท่านมหาเสนาบดีจะมีความสุขที่ได้ศึกษาเรลุธรรมะต่างๆจากพระมหาเถระแล้วในความที่ตัวท่านเองเนี่ย mm hmm. ก็อยากจะบวชเป็นพระ mm hmm. ท่านมหาเสนาบดีจะรย mm hmm. ก็อยากบวชเหมือนกัน mm hmm. จึงทําให้ตัวท่านมันประกอบความเพียรแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการประกอบภารกิจงานหยาบอย่างส ม, ม่ําเสมออีกด้วย เมื่อจ้งท่านมหาเสนาบดีเกาะเกี่ยอยู่กับธรรมปฏิบัติเช่นนี้จึงทําให้ท่านมหาเสนาบดีมีผลการปฏิบัติตามที่9นะ้าหน้าชนี้ที่เรียกว่าก้าวกระโดดเลยทีเดียวใช่ไหมจารไม่ใช่ก้าวเดินเนอะก้าวกระโดดเลยแล้วในสุดผลแห่งความเบียนที่ตัวท่านได้ดสั่งสมมาอย่างถูกหลักวิชาก็าได้ผลิ ด, ดอกออกผล จนทำให้ตัวท่านสามารถวางใจที่หยุดนิ่งถูกส่วนแล้วก็เข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดสายสว่างได้อย่างง่ายๆสบายสบายพ<า>ระมหาเสนาบดีได้เข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดสายสว่างทังยามหลับตาและลืมตาแล้วตัวท่านก็รู้สึกมีปีติสุขรอเลี้ยงใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลย และด้วยความสุขจากธรรมะปฏิบัตินี้เองจึงทําให้ตัวท่านเกิดความรู้สึกอยากบวชขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจเลยทีเดียว oh. นี่หนาถึงแม้ธรรมหาเสนาปฏิจารู้สึกอยากบวชมากขนาดไหนก็ตามตัวได้ภารกิจที่มีอยู่อย่างเยอะแยะมากมายจึงทําให้ท่านไม่สามารถออกบวชได้ในตอนนี้ ยิ่งพระเถระหรือดีพระราชาที่ออกบวชมีดำริที่จะสร้างวัดใหม่ด้วยแล้วแต่มหาเสนาพดีก็ยิ่งไม่มีเวลายับตัวไปไหนได้เลยเราได้ถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในคณะทีมงานก่อสร้างวัดใหม่ของพระเถระด้วยมาเก่งหลายอย่างเ น, นโอะส่วนสังเหตุทำให้พระเถระ มีตําเรจที่จะสร้างวัดใหม่ทั้งนี้ก็เป็นเพราะณช่วงเวลานั้นได้มีสาธุชนผู้มีบุญไม่ว่าะจะเป็นเหล่าพราจาชบริพานรวมถึงประชาชนภายในแคว้นที่ทราบข่าวการสละราชสมบัติแล ะ, สะเสด็จออกโนวนของพระราชาเดินทางมาที่วัดปากเพื่อมาสังสมบุญและเพื่อมา ชื่นชมพระบารมีของพระเทละอยู่เป็นจานวนมากเลยที่นี้ที่เรียกว่าแน่นขนาดนักขนาดเลยทีเดียวนี่เนาะหลังยาธิทัามหาเสนาบดีได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาองค์ใหม่ให้เป็นหนึ่งในคณะทิ้งมาสร้างวัดใหม่พระราชาองค์ใหม่ก็เอาเข้ามาเหมือนเนาะซึ่งเป็นพื้นที่กว้างและสามารถ ร่างรับมหาชนผู้มิบุญได้มากกว่าวัดป่าของพระมหาเถระแล้วโดยความที่ท่านมหาเสนาวดีเป็นผู้ที่มีวิชช์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนี้เองจึงทําให้ตัวท่านเด่นแหล่งเหน็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมากมายว่าเมื่อวัดใหม่แห่งนี้สร้างเสร็จประชาชนภายในแคว้งก็จะมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม แล้วก็ศึกษาเรียนรูค้คําสอนคำรสสัมมาสมัมพุท้าทิวัดมาของพระเถระได้ ม, มากขึ้นฉะนั้นหมายความว่าธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทโเจ้าจะสามารถซสมสรากไปสูจจ่ใจของประชาชนภายในแคว้นไ้มากขึ้นและก็เพิ่มขึ้นไปตามลําดับด้วยเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย ประชาชนภายในแคว้นก็จะมีศีลธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจซึ่งก็จะส่งผลนำให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นมีนสุขอย่างแท้จริงมืธรรำมหาเสนาบดีเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วจึงทำให้ตัวท่านตัดใจที่จะไม่ออกบวชในตอนนี้ ล้เต็มใจที่จะอยู่ช่วยงานก่อสร้างวัดใหม่อย่างเต็มที่ทั้งท่านนั้นถ้ามีความสุขจากการเห็นดวงตามไปไหนนี่จ้ะเมื่อหมาเสนาบดีได้วางเป้าหมายและเห็นอันนี้สองที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่า น, นและประชาชนทุกคนภายในแคว้นแล้วท่นยังได้ทุมเทช่วยพระราชาองค์ใหม่หรือพระนุชาของพระราชาองค์ที่ออกบวช ดูแลและประสานงานการก่อสร้างวัดใหม่ในความรู้สึกที่ปลื้มปีติเบิกบานใจได้ไปเห็นแก่ความเหน็ดื่อยยากเลยทีเดียวนี่เนาะเหนื่อยข้ามชาติเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> สำหรับการก่อสร้างวัดใหม่แห่งนี้ก q ณนะทีมงานก่อสร้างวัดใหม่ จะได้แก่พระราชาองค์ใหม่รวมถึงเหล่าเสนาหมัต่างๆจะได้ขอสรุปเรื่องตาแหน่งที่ตั้งของวัดใหม่แต่และคนต่างต้องกระดมข้อมูลและความคิดเพื่อที่จะาหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการก่อสร้างวัดใหม่ซึ่งในเบื้องต้นแต่และคนต่างก็มีความเห็นที่หลากหลายและแตกต่างกันไปจนสุดท้ายมือคณะทีมงาน หาข้อสรุปเรื่องที่ตั้งวัดใหม่ไม่ได้ท่านมหาเสนาไบดีของเราซึ่งก็อยู่ในที่ประชุมด้วยจะได้ทําการรวบรวมและสรุปข้อมูลทั้งหมดในที่ประชุมออกมาซึ่งได้ความว่าพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างวัดใหม่ของพระเถระก็คือพื้นที่ที่อยู่ในเขตพระราชอุทยานนั่นเองซึ่งโดยปกติและพื้นที่ที่ท่านมหาเสนาบดีเสนอนั้น จะใช้สำหรับเป็นที่ล่าสัตว์ของพระราชาต่างๆในทุกยุครวมถึงเหล่าพระประโยชรยะทั้งหลายอีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเขตหงห้ามที่แม่คนภายนอกเข้าไปเพ่นผ่านอีกด้วยแต่ด้วยความที่พื้นที่ที่อยู่ในเขตพระราชอุทยานเป็นพื้นที่ที่มีชจยภูมิดีคือก้ไล้เมืองมีลานกว้างอีกทั้งยังร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพัานธุ์อีกด้วย เพาเป็นเชนี้จึงทําให้คณนะทีมงานก่อสร้างวัดใหม่จดัดก่พระราชาองค์ใหม่และเหล่าเสนาอำมาตย์ต่างๆแต่ตัดสินใจเลือกพื้นที่ดังกล่าวนี้พร้อมกับไปกราบถาวายรายงานแด่พระเสนาะพระราชาองค์ที่ออกบทว่าทางทีมงานก่อสร้างวัดใหม่ได้เลือกเอาพื้นที่ในเขตพระราชุิยานเป็นสถานที่สําหรับสร้างวัดใหม่ของพระเถระนั่นเอง ซึ่งพระเทระหรือีพระราชาที่ออกบวชก็ทรงเห็นด้วยกับตำแหน่งที่ตั้งที่ทางคณะทีมงานนำมานาเสนอด้วยเช่นกันตัวรองที่ตั้งวัดใหม่อยู่ที่ เ, ทเมื่อสถานที่สำหรับสร้างวัดใหม่โถกำหนดขึ้นมาแล้วต่อมาเสนาบดีจึงได้ทำการประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนงานที่มีหน่วยการดี รวมทังช่างฝีมือที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้างมาเป็นทีมงานสร้างวัดใหม่ตอนที่ที่พวกชาเมืองทราบเรื่องนี้พวกชาเมืองที่เป็นช่างฝีมือต่างก็แห่มาสมัครการเป็นจานวนมากมายเลยนอกจากนี้ท่านมหาเสนาบดียังได้นำเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานก่อสร้างขึ้นมาพื่ทีมงานนี้จะได้ดูแล รายละเอียดเรื่องการก่อสร้างในส่วนต่างๆได้อย่างทั่วถึงนั่นเอง oh. คือทำหนา้าที่คล้ายคอนเซิล <c oughs> ในระบบ ง, งานก่อสร้างในยุคปัจจุบันนั่นเองน oh. ี่เนาะในระหว่างการก่อสร้างวัดใหม่กำลังดำเนินรถหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้อยงอยู่นั้น <c oughs> ท่านมหาเสนาบดีก็ค่อยๆลดพาระและเคลียภา ร, รกิจงานประจำของท่าน ไปด้วยเพราะที่ตัวท่านจะได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการสร้างวัดใหม่ได้อย่างเต็มที่ไม่เพียงแค่นั้นแม้ว่า ง, งานสร้างวัดใหม่จะหนักและเหนื่อยเพียงใดก็ตามแต่ถ้ามหาเสนาบอดีของพวกเราก็ไม่เคยละทิ้งเลยและเลยแต่การปฏิบัติธรรมเลย<า>นี่ทําทั้งสองอย่างควบคู่กันไปนะจ๊ะ ยามใดที่ท่านมหาเสนาบดีพอมีเวลาหรือว่างเว้นจากภารกิจงานหยาบท่านก็จะมาหาเวลาว่างมาปฏิบัติธรรมกับพระมหาเถระและพระเถระควบคู่ไปกับการสร้างวัดใหม่อยู่เสมอเพื่อที่ตัวท่านจะได้รักษาและประคองดวงธรรมที่ชัดสายสว่างของท่านไม่ให้หายไปไหนนั่นเอง และเมื่อแจ้งท่านมหาเสนาบดีก็เกี่ยวยกับธรรมะภายในควบคู่คปกาบการทำภารกิจงานสร้างวัดใหม่เช่นนี้จึงเป็นบทนำให้ผลการปฏิบัติธรรมของท่านยิ่งมั่นคงและก็ยิ่งก้าวหน้ามากขึ้นไปกว่าเดิมเป็นอย่างมากคือพูดง่ายๆว่างานหยาบไม่เป็นอุปสรรคการรักษาความละเอียดของใจหรือธรรมะภายในของท่านเลย และแล้วในที่สุดด้วยความทุ่มเทและความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านมหาเสนาบดีนี้เองจึงทําให้ก่อนที่วัดใหม่จะสร้างเสร็จพระมหาเถระในพุทธดอดีตผ่านมาจึงได้มอบของขวัญพิเศษอันล้ําค่าให้กับท่านมหาเสนาบดี นั่นก็คือการอนุญาตให้ท่านมหาเสนาวดีบวชที่วัดป่าได้นั่นเองซึ่งบคุคคลที่จะมาบวชอยู่ที่วัดป่าของพระมหาเถระได้นั้นจะต้องเป็นบคุคคลที่มีบุญบารมีไม่ธรรมด า, าจริงๆที่เป็นที่นี้ก็เป็นเพราะพื้นที่ของวัดป่าแห่งนั้นมีอยู่อย่างจํากัด อีกทั้งใครจะบวชอยู่ที่วัดป่าแห่งนี้ได้เนี่ยทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือกจากพระมหาเถระเสก่อนโดยพระมหาเถระจะทำการตรวจตาและคัดเลือกตามกาลังบุญของแต่ละคนว่าบุคคลท่านนั้นมีกำลังบุญมากพอที่จะบวชในตอนนี้ได้หรือไม่ และก่อนที่จะบวชบุคคลท่านนั้นมีความตั้งใจในการฝึกฝนอบรมตัวเองมากขนาดไหนทันทีที่ท่านมหาเสนาบดีได้รับทราบว่าพระมหาเถระอนุญาตให้ท่านออกบวชได้ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกปลื้มปิติดีใจเป็นอย่างมากเพราะตัวท่านเองก็มีเป้าหมายใหญ่ที่จะออาบวชอยู่ในใจมาตลอด ัท่านมหาเสนาบดีก็ได้รีบน้าข่าวดีนี้ไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่ของท่านเพราะก็ขออนุญาตท่นทั้งสองเพื่อขอออกบวชในทันทีเ<า>มื่อคุณพ่อกัณแม่ขงท่านมหาเสนาบดีได้ทราบข่าวอันเป็นมงคลว่าลูกชายผู้เป็นทีรักโดยดังแก้วตาดวงแจขงท่านมีความตั้งใจที่จะออกบวชเช่นนั้นท่นทั้งสองก็ได้อนุโมทนาสาธุการ เาการญาตในตรรมหาเสนาบดีออกบทด้วยความรู้สึกปราบลื่มปีติใจอย่างสุดๆดและเมื่อหมู่ญาตกรมหนึ่งบรรดาลูกน้องในทหารธรรมหาเสนาบดีได้ทราบข่าวว่าท่านมหาเสนาบดีจะออกบวชทสักคนต่างก็รู้สึกดีใจพร้อมกันได้เริ่มอนุโมทนาบุญกับการออกบทของท่านมหาเสนาบดี ในความรู้สึกปริ่มพิธิเบิกบานใจเป็นอย่างมากเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกๆคนตาเคยเห็นตรงกันว่าท่นานมหาเสนาบดีได้ทุ่มเททำงานและเสียสละเวลาเพื่อพระราชาและประเทศชาติโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือความยากลำบากใดๆทั้งสิ้นและเมื่อมาถึงวันนี้ วันที่พระมหาเถระอนุญาตให้ท่านออกบวชสิ่งนี้จึงถือเป็นรางวัลมีค่าที่ท่านมหาเสนาบดีควรจะได้รับในระหว่างที่ท่านมหาเสนาบดีกำลังจะ อ, อกบวชนั้นตัวท่านก็ได้แรงเคลียภารกิจงานก่อสร้างที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้เป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อมอบหมายลูกน้องคนสนิทของท่านจะมาสานงานในส่วนนี้ต่อไป ม, มาธรรมาเสนาบดีจัดการเคลียภา ร, รกิจงานก่อสร้างและงานทุกอย่างจนลงตัวแล้วตัวท่านยังได้ออกบวชเป็นพระภิกษุสิทธิวัติปาของพระมหาเถรละในพุทธนอนที่ผ่านมาแบบเงียบเงียบแล้วก็ง่ายๆคือไม่ได้จัดงานบวชแบบเอิกระเบิดหรือ ย, ยิ่งใหญ่แต่อย่างใดแลแ้วในตอนนั้นท่านคิดแต่เพียงแค่ว่า ขอท่านได้บวชอยู่ในวัดป่าของพระมหาเถระแค่นี้ตัวท่านก็พอใจแล้วหลังจากที่ทมหาเสนาบดีออกบวชแล้วแต่ควาตัวท่านจะเป็นห่วงงานก่อสร้างวัดใหม่ตัวท่านยังได้หาเวลามาดูแลภาพรวมและคำปรึกษาเกี่ยวกับ ง, งานก่อสร้างวัดใหม่อยู่เสมอเสมอ ถึงแม้ในบางครั้งตัวท่านจะออกไปดูงานก่อสร้างวัดใหม่แต่ถึงขนานตัวท่านก็ไม่เคยละทิ้งกิจวัตรกิจกรรมของความเป็นพระให้ขาตกบอกพร่องไปเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเพราะตั้งแต่วันแรกที่ตัวท่านจะออกบวชเป็นพระตัวท่านก็นมีความมุ่งมัน่นในใจว่าตัวท่านจะต้องเป็นต้นบุญ่านแบบ ดีๆให้กับผู้มีบุญที่บวชต่อมาในภายหลังให้ได้คณนะทา่านจะได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองและประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เต็มกําลังมาโดยตลอด<า>และเมื่อธรรมหาเสนาบดีได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองและประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เต็มกําลังเช่นนั้นจึงทรงบอกนไว้ตัวท่าน มีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าและก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมคือตัวท่านได้เห็นดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่างติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาโ<า>ชในธรรมารเสนาบดีว่าจา ก, การประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วตัวท่านก็นมักจะหาโอกาสศึกษาธรรมะจากคำพีโบราณในยุคสมัยนั้น<า>เป็นประจา ไอ้เรยกว่าธรรมคนนี้ไม่เคยปล่อยเวลาให้ศูนย์เปล่าเลย<า>แล้วเมื่อธรรมะเสนาบดีได้ศึกษาธรรมจะจากคัมภีร์โบราณในยุคสมัยนั้นมากเข้ามากเข้ากรท่งจะมีความเขา้าใจยังแตกฉานในหัวข้อธรรมะต่ตงตางๆมากขึ้นเร<า> <laughs> ื่อยๆจึท่านสามารถวิเคราะห์แจกแจงและแยกยะ<า> <laughs> หัวข้อธรรมะออกมาเป็นประเด็นที่อย่างชัดเจน <laughs> ชัดไห ม, อ, ม <laughs> อีกทั้นตัวท่านยังเป็นคนที่สามารถเชื่อมโยงธรรมะภาคปริยัติกั้สูภาคปฏิบัติได้อย่าง <laughs> ดีเยี่ยมแบบหาตัวจับได้อย่างอีกด้วย oh. ห้องสมุดยังกับปัจจุบันเลยเนอะเจ้าหาก ท่านมหาเถนาปฏีศกษาธรรมะจากคำพีโบราณในยุคสมัยนั้นแล้วท่านเกิดมีข้อสงสัยและมีคำถามเกิดขึ้นมาในใจแต่ท่านก็ไมจะชอบเข้าไปสอบถามขอความรู้จากพระมหาเถระในพุทธันดนที่ผ่านมาอยู่เสมอเสมอเพราะเป็นเช่นนี้จึงทำให้ท่านมีความเชี่ยวชาญและกระแตกฉานในธรรมะเป็นอย่างมาก หลังจากท่านมหาเสนาบดีจะมีความเชี่ยวชาญและแตกฉานธรรมะภาคปริยัติแบบไม่เป็นสองครองใครแล้วตัวท่านจะมีโอกาสได้ติวธรรมภาคปฏิบัติกับพระมหาเถรละจะทําให้ตัวท่านมีธรรมะไยในที่ก้าวหน้ามากขึ้นไปกว่าดเดิมเป็นอย่างมากอีกด้วยภายหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้ติวเข้ม ติวธรรมาภาพปฏิบัติกับพระมหาเถระในพุทธันดอนที่ผ่านมาจะทำให้ตัวท่านมีธรรมะภายในที่ก้าวหน้าและก็พัฒนามากขึ้นไปกว่าเดิมเป็นอย่างมากแล้วในสุดท่านมหาเสนาบดีก็สามารถบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างได้ พระธรรมมหาเสนาบดีได้บรรลุธรรมก็ถึงพระธรรมกายแล้วพระมหาเถระก็ได้เมตตาให้ท่านมหาเสนาบดีมาศึกษาวิชาธรรมกายกับท่านใ<า>นพุทธานตอนที่ผ่านมาได้จ้ะ<า>ดีไหมเมื<า>่อเป็นเช่นนี้จึงทําให้ธรรมภภายในของท่านมหาเสนาบดี ยิ่งทวีความละเอียดล่มลึกมากยิ่งยิ่งขึ้นไปจนในที่สุดตัวท่านก็สามารถที่จะไปรู้ไปเห็นผังและเรื่องราวการสร้างบารมีของตัวท่านในอดีตชาติได้อย่างแจ่มแจ้งซึ่งก็เป็นผลทำให้ตัวท่านได้ทราบคำตอบดนตัวขงท่านเองว่าตัวท่านเกิดมาทำไมและมีหน้าที่ อย่างไรในกองทัพธรรมพระธรรมเสนาบดีได้ทราบถึงหน้าที่ที่แท้จริงของท่านด้วยตัวท่านเองเช่นนี้แล้วตัวท่านก็ยิ่งตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างหนักทางปริยัติปฏิบัติปฏิเวทควบคู่ไปกับการสร้างวัดใหม่เพ<า>ื่อที่ท่านจะได้เตรียมตัวรองรับภารกิจสาคัญที่ท่านจะต้องทาต่อไปในอนาคต ในช่วงเวลานั้นการสร้างวัดใหม่ก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อนเนื่องโดยทีมงานที่รับผิดชอบดูแลก า, การก่อสร้างทุกคนต่างก็ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจเร่งวันเร่งคืนในการก่อสร้างวัดใหม่ให้สําเร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้น้อมถวายแด่พระเทลหรือผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเทล และพื้น้ําถวายแด่พระมหาเถระด้วยซึ่งในณนั้นพระมหาเถระท่านก็นเริ่มมีอายุสังขารที่มากแล้วนี่และจ๊ะแต่อย่างไรก็ตามแม้ทุกภาคส่วนจะเร่งการก่อสร้างวัดใหม่เสร็จเร็วแค่ไหนแต่การสร้างวัดใหม่จะมีนากบริเวณและพื้นที่ที่ใหญ่มากยังต้องใช้เวลาอยู่ดีโอ้ หน้าเบื่อข้าม ช, ช, ชตาติชาติหน้าขออย่าสร้างสิ si ่งใดขอดิ่งเข้ากลางใบเท่านั้นและในอรวรรณี่การก่อสร้างวัดใหม่กาลังเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งอยู่นั้นพระมหาเถระ เกคุณายจ้างก็ได้จ้ะในขณะนั้นพระมหาเถระท่านก็เริ่มมีอายุสังขารที่มากแล้วก็ได้เมตตา่ายทอดวิชาการเทศสอนธรรมะให้กับท่านมหาเสนาบดีเพื่อที่ท่านมหาเสนาบดีจะได้ช่วยพระเถระหรือผู้สืบทอดวิชาอบรมและเทศสอนมหาชนผู้มีบุญที่มาสัง่งสมบุญที่วัดแปลงนั้น ซึ่งมีจำนวนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและดีความชาญสลาดก็นงมหาเสนนาบดีกรบกับตัวท่านเองก็มีผังแห่งความเป็นครูครูดีศีจักรวาลที่ <laughs> <laughs> จะต้องทำหน้าที่เทศสอนธรรมะให้แกมหาชนผู้มีบุญมาข้าม <laughs> พบข้ามชาหิแล้ว ได้ให้งกลานี่เองจึงทําให้ท่านมหาเสนาบดีสามารถเรียนรู้วิชาการเทพจากพระมหาเถระได้อย่างรวดเร็วนี่แล้วมาถึงวันที่ท่านมหาเสนาบดีจะต้องขึ้นเทพแทนพระมหาเถระในพุทธนันทิปานมาซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกท่านมหาเสนาบดีขึ้นเทพแทนเนี่ย ท่านก็สามารถทาได้จะเป็นพระธรรมกฐึกได้อย่างยอดเยี่ยมนี่เป็นครูดีสีจักรวาลถึงแม้ว่าจะมาเสนาบดีจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งขึ้นธรรมะใหญ่เป็นครั้งแรกก็ตามแต่ทัวท่านกลับบัลลอศีหันาดและสามารถแต่ทอดธรรมะได้อย่างดีเยี่ยม ชีนีที่เรียกว่าเคลียร์คัดชัดเจนในทุกประเด็นหรือชัดในทุกหัวข้อทำไปทีเดียวไม่เพียงแค่นั้นก่อนที่ท่านมหาเสนาบดีจะปิดการเทศและลงจากธรรมดตัวท่านยังได้ให้มหาชนผู้มีบนได้ซักถามปัญหาธรรมะต่างๆในครั้งแรกนะจ้ะจากตัวท่านอีกดว ซึ่งา็เป็นผลตั๋วไม้มหาชนผู้มีบุญรู้สึกประทับใจและชื่นชอบแนวการเทศสอนของตั๋วมหาเสนาวดียังสุดๆอย่างน้อยก็ตั้งสี่ห้าชั่วโมงอย่างน้อยนะให้เอในการไปไกลๆเลย ถึง แ, แม้การเทศน์สอนธรรมะครั้งแรกของท่านมหาเสวนาบดีจะทำได้อย่างดีเ <c oughs> ยี่ยมจนเป็นทิฐิโอทุกใจและได้รับคำชื่นชมจากมหาชนที่มาฟังในวันนั้นก็ตามแต่ตัวท่านก็ไม่ประมาทและหลงโมเ ม, มาได้คำชื่นชมเหล่านั้นเลยตรงข้ามตัวท่านกลับมาพิจารณาหาข้อบอกกร่องในเรื่องการเทศน์สอนตัวเอง ดังนั้นตัณหาเสนาบดียังมากราบขอคาแนะนาหรือขอคอมเมนต์ <c oughs> <c oughs> เรื่องการเทศจากพระมหาเถระว่าตัวท่านจะต้องปรับลงหรือแก้ไขข้อบกพร่องตรงไหนบ้าง <c oughs> ซึ่งพระมหาเถระในพุทธนานที่ผ่านมาท่านก็จะชื่นชมและกาลังใจกับท่านมหาเสนาบดีจะกายให้ท่านมหาเสนาบดีเบลื่อเสียนาา และเทศสอนธรรมาแทนตัวท่านอยู่เป็นประจำนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุดยอดเลยนาะไปหลังหญ่ติปพระมหาเถ ร, ระเดี๋ยวกยายจางรอจ้ซึ่งในขณะนั้นพระมหาเถระท่านเริ่มมียุสังขารที่มากแล้วได้มอบหมายหน้าที่การเทศสอนธรรม้กับท่านมหาเสนาบดีเป็นหลักแทนตัวท่านแล้ว พระมหาเถระก็ได้ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่ถ่ายทอดวิชาธรรมกายทั้งหมดที่ตัวท่านได้ศึกษาเรียนรู้มาจากพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาในพุทธนนทิปานมาให้กับพระเถระหรือผู้สืบทาวิชาอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันพระมหาเถระเดี๋ยวกยายจางก็ได้จ้า ก็ได้เดินทางจากวัดป่าไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการก่อสร้างวัดใหม่ด้วยตัวท่านเองอยู่เป็นประจำนอกจากนี้พระมหาเถระยังได้วางระเบียบแบบแผนเริ่มถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆเพื่อรังรับระภิดสุดสมณเนชและบาศกประสิกาผู้มีบุญที่ะตามมาสร้างบารมีกับพระเถระในอนาคตและที่สาคัญที่สุด ระเบียบแบบแผนเหล่านั้นยังเป็นแม่แบบในการวางรากฐานที่สำคัญต้องการเผยแพ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้แพร่ขยายไปทั่วทุกแ้นในภพชาตินั้นอีกด้วยใน oh. และเมื่อเวลาดำเนินผ่านไปจนกระทั่งถึงช่วงก่อนเทวมัยจะสร้างเสร็จเหตุการณ์ที่พระเถระหรือผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเถระ และท่านมหาเสนาบดีไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ได้มาถึง น, นั่นคือการละสังขารของพระมหาเถระส่วนว่าหลังจากที่พระมหาเถระได้ละสังขารลงไปแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นเราคงจะต้องมาติดตามรับฟังกันในตอนต่อไปนะจ๊ะ